บันี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธาชนทั้งหลายซืบต่อไปได้กล่าวถึงหลักที่ปรากฏในคำราชนากรรมฐานซึ่งกระต้นโดยคำว่าข้าขออธิษฐานต่อพระสงญานอุจนะมาตธา คำพูดทรงยานนั้นหมายถึงพระพุทธเจ้าที่ทรงเป็นพระพุทธเจ้าด้วยการบรรลุพระญาณมันเป็นความรู้ซึ่งผุดขึ้นภายในพระทัยของพระองค์ซึ่งตัวความรู้นั้นเปรียบเหมือนแสงสว่างที่กระจัดมืดคือกิเลส ท, ที่มีวิชาเป็นราคเงาให้หมดไปจากพระทยัย ผลผลของการบรรลุพระญาณคนนี้เองจึงเป็นเป้าหมายหลักในการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาแต่ว่าญาณนั้นเป็นผลสูงสุดการปฏิบัติจึงใช้ความรู้ในระดับต่างๆที่สามารถจำแนกแยกแยะสิ่งที่ดีกับไม่ดี สิ่งที่เป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษให้ชัดเจนแล้วปฏิบัติลดละสำรวมระวังในส่วนที่จะเกิดกิเลสพยายามปฏิบัติเพิ่มพูนในส่วนที่จะเกิดสิ่งดีงามขึ้นมาแต่ว่าหลักของปริยัติที่ท่านสอนไว้นั้น มาสรุปไว้ที่ขั้นตอนของศีลสมาธิปัญญาอันเป็นที่รวมของคำสอนที่เราเรียกว่าภาวนาทั้งหลายโดยมุ่งไปที่กา ร, กระจัดกิเลสทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดไปโดยลำดับซึ่งทุกขกั้นตอนนั้นจะต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องสอดส่องเป็นปีนิพนพิจารณาเห็นคุณของศีลของสมาธิของปัญญา เห็นโทษของการไม่มีศีลสมาธิปัญญาจนประจักษ์แจ้งแก่ใจมีกำลังมากพอที่จะควบคุมตัวเองให้อยู่ในกรอบของศีลสมาธิปัญญาไปโดยดําดับปัญญาหรือความรู้ที่บังเกิดขึ้นนั้นจะสามารถคุ้มครองบุคคลเดล่า น, น, นเอาไว้ได้ตามสมควรเกิดเหตุที่ตนได้ลงมือประพฤติปฏิบัติไป ตึงในชั้นหนึ่งก็กลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นเป็นสัตว์ปรลุษเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์อย่างที่เรียกกันแต่อย่างนั้นเป็นภาพสะท้อนของปัญญาหรือญาณนระดับหนึ่งให้ปรากฏเช่นสัตว์ปรลุษหรือเสี่ยวกว่าผู้สงบหรือคนดีนะั้นสังขารทั่วทั้งหลายจะสังเกตได้ว่า คุณสมบัติที่นำผู้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นสัตว์ประหลุษที่แปลว่าผู้สงบนั้นจะต้องมีตัวรู้อยู่จังว่าเป็นผู้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้ชุมชนรู้บุคคลแต่และข้อต้องอาศัยความรู้เป็นหลักเข้ากากับทั้งนั้นซึ่งอาจจะกล่าวโดยสรุปว่าพระพุทธศาสนาก็คือศาสนาของผู้รู้ เราก็เพื่อความรู้คําสอนก็สอนเพื่อรู้พระพุทธเจ้าเองก็ชื่อว่าเป็นผู้รู้พุทธะจึงแปลว่ารู้เร็ว่าตื่นเรเ็ววเบิกบานอย่างที่ทราบกันแต่ความรู้เหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่สามารถใจชนะตบมารทังหประการ เพรในวักต่อไปจึงใช้คำว่าผู้ชนะมานทั้งห้าคำว่า ม, ามานั้นหมายถึงอุปสรรคขัดขวางตัวทําลายหรือสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยตัดรอนบุคคลในเรื่องความดีต่างๆซึ่งก็มีทั้งในชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่เป็นมารหรืออุปสรรคขัดขวางนั้นมีหลายอย่าง ทรงแสดงไว้โดยสรุปว่ามีห้าอย่างประการแรกก็คือกิเลสสมานสมานคือกิเลสทั้งหลายซึ่งกอนีก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์ทดสอบได้พยายามใดที่กิเลสเกิดขึ้นรุ่มรุ่งใจที่รุนแรงทำให้ใจตกต่ำก่อนในเบื้องต้นอาการที่ปรากฏแก่ใจก็มีการแผดเผาให้เร่าร้อนด้วยประการต่างๆ พอถึงจุดหนึ่งก็คุมไว้ไม่หยุดไม่จะออกมาทางกายทางวาจา ก, ก็เป็นกายยตุจริฐเป็นวจิตุจริฐเป็นการผิดศีลแล้วก็ออกมาในรูปของการผิดกฎหมายเป็นการทําตัวเองให้ตกต่ําไปโดยทดำดัดเริ่มจากจิตที่ตกก่อนคือตกไปจากครองของกุศ ล, กกศลกตกไปจากมาตรฐานของกุศลเจาะตกไปจากมาตรฐานของคนดี การกระทำก็ตกไปจากกุศลการพูดก็ตกไปจากกุศลทางพฤติกรรมของบุคคล น, นั้นตกต่ำไปโดยลำดับอย่างน้อยก็ถูกตำหนิจีเจียนถูกจับ ก, กุ่มคุมขังจนถึงก็ตกนรกในที่สุดเพราะกิเลสเหล่านี้จึงถือว่าเป็นมานที่ตัดรอดบุคคลไม่สามารถจเจริญเ้าหน้าในการประพฤติปฏิบัติตาม ขั้นตอนของศีลสมาธิปัญญาไดเช่นประการขาดศีลหรือการล่วงศีลในแต่ละครั้งเพืสังเกตว่ามันจะต้องมีกิเลสเกิดขึ้นมีอาการกระตุ้นเร่งร้าวหนักพอสมควรจนเราคุมไว้ไม่อยู่กระทังจุดหนึ่งก็มีการละเมิดศีลขึ้นแล้วก็จะลุกลามได้เรื่อยไปเพราะว่ากิเลสนั้นเป็นไฟอย่างที่เคยกล่าวไว้ มันก็มีเชื้อมัก็ลุกลามเผาไหม้ไปได้เรื่อ ย, อยมาครั้งก็กล่าวกลายเป็นมหายุธทธสงครามที่มีการล่างพรางกันในส่วนต่างๆของโลกมาสืบสาวทั้งที่มามันก็เริ่มมาจากกิเลสเพียงตัวเดียวและในการกระทําความดีแต่ละขณะถึงแม้เจตจํานงทีตง่ตั้งใจจะกระทําความดีบังเกิดขึ้นภายในใจ มีเป็นอันมากที่เราทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะกิเลสบังเกิดขึ้นกระซิบใจห้ามใจกั้นใจเอาไว้เป็นการตัดรอนขัดขวางหรือบั่นทอนให้ทำความดีได้น้อยลงลักษณะเหล่านี้ได้เกิดขึ้นแก่สามัญชนทั้งหลายทั่วไปไม่ใช่เจาะ จ, จงคนใดคนหนึ่งแม้แต่คนระดับที่เป็นพระโพธิสัตว์ เพยงเจอปัญหาในลักษณะนี้แต่สินพระทัยว่าจะทำความดีอย่างใดยั ง, ยงหนึ่งเช่นบางพระชาติต้องการจะออกบทอาศัยแรงต้านทานที่เกิดขึ้นภายในใจบ้างโดยการกระตุ้นเรื่องราวจากภายนอกบ้างก็ตกโปรงให้กลับมาอยู่ครอบครองบ้านเรือนต่อไป กว่าจะออกบได้ก็ต้องผ่านการเวลาไปนานตัวอย่างที่ทรงรับสั่งเล่าในประชาทิหนึ่งที่เกิดเป็นบัณฑิตจิวกรลธานบัณฑิตมีฐานะยากจนขัดสนค่อนข้างไปทางอนาถาโดยทัําไปออกบทเป็นดาวบทประพฤติพรําเเพียรอยู่ในป่าแต่ก็เสียดายอาชีพการทาไร่เข้าบด กับข้าวฟ่างจึงเก็บพันุ์ข้าวโพดข้าวฟ่างเอาไว้พร้อมด้วยจอบสำปขุดดินที่จะหวานข้าวโพดข้าวฟ่างพอถึงฤดูฤาษีก็ต้องสึกออกมาทุกทีเอาไม้ไดัดพืชเหล่านั้นมาหวานแล้วกเก็บเกี่ยวบริโภคใช้สอยไปส่วนหนึ่งแล้เก็บเป็นพันุไปสุดพอถึงฤดูท่านก็สึกออกมาอีก เบบวดบวชสึกๆอยู่ถึงเจ็ดครั้งอะไรกันจนในที่สุดปัญญาบังเกิดขึ้นพิจารณาเห็นว่าความไม่เจริญหรือการอาการถดถอยที่เกิดขึ้นภายในจิตนั้นเพราะจิตมันไปเกี่ยวเกาะอยู่ที่เข้าฟางลุกเดือยแล้วก็จอบตลอดถึงชุดของคารวาที่ตุนเก็บไว้นั่นเองถ้าว่าตัดตรงนี้ไม่ได้ท่านก็ก้าวหน้าไม่ได้ วันหนึ่งท่านก็รวบรวมสิ่งเหล่านี้เอาไว้แล้วก็เอาไปโยนทิ้งในแม่น้ำแต่การโยนทิ้งก็ไม่มั่นใจตัวเองอีกว่าจะเกิดเสียได้หรือเปล่าจึงหลับตาหมุนตัวหลายรอบแล้วก็เวงให้ตกไปแล้วก็นั่งหลับตาต่อเพื่อไม่เห็นที่ตกหรือรอยกระเรื่อมของน้ำจากการตกของสิ่งที่โยนลงไปแลในที่สุดท่านก็ออกบวช ควาเป็นเพียรบรรลุฌานไปได้คราวนี้จะเห็นอาการเกี่ยวเกาะของกิเลสประเภทสิเนหาเยื่อใยดีมีลักษณะเหมือนกับยางเหนียวสิ่งเหล่านั้นที่จริงก็คือวัตถุการไม่ว่าจะเป็นข้าวฟ่างลูกเดือยหรือเสื้อผ้าตลอดถึงจุกจอบจะเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพของท่านก็คือวัตถุการแปลวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่ ง, งความใคราปรารถนาพอใจของท่าน คนอื่นอาจจะไม่พอใจชอบใจหรืออาจจะทิ้งไปแต่สำหรับท่านในขณะนั้นในช่วงนั้นก็ยังกับนัดยังยึดยังติดอยู่ในสิ่งนั้นกิเลส ก, ก็เป็นเหตุหนวงเหนียวเอาไว้ก่อให้เกิดความมตกกังวลความห่วงใจแต่ถึงจุดเดิงก็ต้องย้อนกลับมาสู่อำนาจของสิ่งเดิ น, นอีกต่อไปทั้งๆ ท, ท, ที่สิ่งเล่มนั้นไม่ได้มีชีวิตไม่มีการเรียกร้องอะไร ใจเราไปกําหนดคุณค่ากําหนดความสําคัญของสิ่งเหล่านั้นขึ้นเองแล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมาในสุดเมื่อความคิดปรุงแต่งมีอํานาจเหนือจิตก็ต้องตกไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นอีกต่อเ น, นื่องตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าปริมาณของยาหรือปัญญาไม่มากพอที่จะไปตัดกระแสของกิเลส ซึ่งเกิดขึ้นจากการปักใจฝังใจงแต่งๆแต่ละคราวนั้นก็คงจะผ่านการคิดการพิจารณาไปเรื่อยๆอย่การสะสมปัญญาไว้โดยลำดับไปถึงจุดหนึ่งแล้วก็มองเห็นโทษประจัก์แจ้งแก่ใจว่าใจใจที่ไม่ส ง, งบจนถึงก็ฟุ้งซ่านจนถึงก็สึกออกมาให้มองสังเกตว่าเป็นอาการหยาบของกิเลสไปโดยลาดับ ก็ฟุง้งซ่านประคิดถึงวัตถุ่ังกล่าวทำให้ไม่สงบไม่สงบก็กระสับกระส่ายกระสับกระส่ายก็ปฏิบตัติบาเพ็ญเพียรไม่ได้สมาธิตามที่ตนต้องการพอถึงจุดหนึ่งความอยากที่จะได้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมากก็ต้องสึกมาแล้วก็มาประกอบอาชีพก็หมุนวนกันอยู่ในรัณะ น, นี้ปริมาณของกิเลสนั้นก็จะเข้มข้นขึ้นไปถึงจุด ที่จะต้องทําอย่างใดดังหนึ่งแล้วถ้าหยุดตรงนั้นไม่ได้ก็ต้องทําไปเพราะอาการที่แสดงออกของบุคคลจึงมีความรุนแรงแตกต่างกันเพราะปริมาณของกิเลสที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นๆในขณะนั้นๆไม่เท่าเทียมกันแต่สรุปแล้วก็คือเป็นอาการของกิเลสก้อนกิเลสล่านี้จึงกลายเป็นมานที่ขัดขวางบุคคล ไม่สามารถจเจริญก้าวหน้าไปได้ที่ออกมาเป็นอาการอย่างต่อเนื่องของบุคคลบางพวกจะพบว่าเขาติดอยู่กับที่เป็นพวกนักเลงทั้งหลายพวกตกอยู่ในหลุมบ่อบายมุกทั้งหลายจนกลายเป็นนักเลงคือมีพฤติกรรมในอย่างนั้นอย่างต่อเนื่องเลีย้ยงิยงนักเลงสุราเล่นการประนันควบคุมชั่วเป็นมิตรเกียย์ขั้นทาการงานเที่ยวกลางคืนตื่นกางเล่นต่งาง สแสดงออกภายในใจของเขาก็มี โ, โรคหดลงหมุนวนกันอยู่แล้วก็แม้จะอยู่ที่บ้านก็ดึงขาบอดดึงขาบาปต่างๆเปจนเพราะแทนที่จะอยู่อย่างสงบแทนที่จะมีความเจริญก้าวหน้าเลือกประกอบอาชีพที่มีเหตุมีผลก็ไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติที่ทำงานเหนื่อยยากมาในสุดก็มาละลายอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอกิเลส ก, ก็ดึงกลับไปกลับมา บางครั้งปัญญามีกำลังมากพอก็ตั้งตัวไปได้แต่การต่อสู้กับกิเลสนั้นเป็นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อยาวนานปริมาณของปัญญาที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลจะต้องมีกำลังมากพอในการวิเคราะห์ตดศินวินิจฉัยแล้วก็มองเห็นโทษการมองเห็นโทษจึงเป็นการมองในระดับต่างๆลดหลั่นกันขึ้นไป คือบางอย่างนั้นให้ดองสังเกตว่าบุคคลยังมองไม่เห็นโทษเมื่อมองไม่เห็นโทษก็ดีกว่าที่จะทําอะไรรุนแรงกว่านั้นจึงการแสดงธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงฟอกจิตของบุคคลให้ประนีขึ้นไปโดยลําดับนั้นที่เรียกว่าอนุภูมิกถาคือเรียงเป็นทานเป็นศีลเป็นสวรรค์ที่จริงผลการทําความดีระดับทานนั้น ส่วนมากก็ยังเกี่ยวเกะอยู่ใกิเลสจะมีการอธิษฐานให้ผลของทานดนบันดาลให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นตามที่ตัวต้องการแต่ว่ามันก็ประณีตกว่าสภาพเดิมก็ดีกว่าสภาพเดิมถ้าเทียบถึงปริมาณของกิเลสมันก็จางลงก็เดิมมันก็ดีกว่าอยู่ในฐานะเดิม ตัวนี้จึงกลายเป็นคล้ายๆกัญญานพานะหรือเป็นบันไดที่จะนําบุคคลก้าวขึ้นไปมันก็คงเป็นบันไดคงเป็นยานพานะอยู่นั่นแหละแต่ก็ช่วยให้ไปได้ไกลขึ้นช่วยขึ้นสูงได้มากขึ้นเพราะว่าถึงระดับศีลศีลนั้นก็มีการเสนอไว้ทั้งสามอย่างอย่างท้ายของศีลที่ว่า คือจะได้สุกติก็พระศีลได้ภพสมบัติก็พราะศีลได้นิพพานสมบัติก็พระศีแลแต่ก็จริงการรักษาศีลนั้นถ้าหากว่ากิเลสยังมีอยู่มากมันก็ปรารถนาผลที่เป็นวัตถุการมอยู่มากเชนปรารถนาความมัง่งคั่งร่ำรวยด้วยโภพสมบัติต่างๆที่เป็นมนุษย์สมบัติซึ่งถ้าหาราพูดในแง่ของกิเลสมันก็มีกิเลส แต่ก็ดีกว่าประสบความทุกข์ความทรมานในชีวิตของมนุษย์เพราะนันสิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นอิทผลคือผลที่ต้องการปรารถนาของบุคคลโดยทั่วไปบางคนก็ไม่ต้องการไม่ปรารถนาระดับที่เป็นมนุษย์สมบัติได้ปรารถนาสุกติคือปรารถนาที่ยสุขแต่ทิพยศุขที่จริงก็คือวัตถุกรรแต่วาสติปัญญาเหตุ ผลในการบริโภคใช้สอยครอบครองวัตถุกรรมเหล่านั้นมันก็มีมากยิ่งขึ้ น, นกิเลสก็กลดลงไปความทุกข์ที่จะสืบเนื่องมาจากกิเลสก็บรรเทาลงไปเทวดาจึงแปลว่าผู้เที่ยวเล่นอย่างเพลิดเพลินผู้มีความสะดวกสบายผู้มีความสนุกสนานแต่ตั้งนี้ตั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าท่านยังไม่มีกิเลสกิเลสมันก็ปิดกั้นพบที่ประณีตเอาไว้ เป็นอุปสรรคขัดขวางพบที่ประณีขึ้นไปกว่านั้นจนถึงปิดกั้นกระแสของบณิพานไปบางคนนั้งกิเลสจางน้อยไปจนไม่ติดใจพอใจในมนุษย์สมบัติและในสวนรรค์สมบัติแต่ปราถนาผลคืนนิพพานสมบัติซึ่งหมายความว่าปริมาณของกิเลสลด แต่ตราบใดที่ยังไม่ถึงนิพพานกิเลสนั้นก็คงเป็นมานที่ตัดรอนท่านอยู่ในระดับหนึ่งซึ่งอาจจะมองไม่เห็นคล้ายๆกับกิเลสประเภทที่เรียกว่าเป็นอนุัยคือมันอยู่ภายในใจแต่มันไม่เกิดขึ้นภายในใจเราเราก็มองไม่เห็นโทษอะไรของมันนอกจากว่าได้ใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบไป ล, ลึกๆจริงๆเนี่ยเรายังมีความรู้สึก เป็นความริษยาเป็นความโกรธเป็นความยึดติดเป็นความเกี่ยวข้องผูกพันมีแต่ความสินิหาเยื่อใยอะไรในสิ่งทั้งหลายอยู่เพียงแต่ว่าไม่ถึงกับเกิดขึ้นมากรุ่มรุมใจมากกันนั่นเองพ้นโทษในระดับนี้ที่จริงคนก็เห็นได้หน่อยเพราะอะไรเพราะอาการไม่ปรากฏเด่นชัดขึ้นภายในจิตแต่ผู้มีปัญญาสดสองปีนี้ปัญญาท่านก็จะเห็น คนนี้ตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือเรื่องการมองของพระพุทธเจ้าการมาเป็นเพียรจนบรรลุระดับฌานนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาโดยเฉพาะที่พระโพธิสัตว์ได้บรรลุก่อนเป็นพระพุทธเจ้านั้นก็จนถึงสมาบัติที่8คือไม่เห็นกิเลสถ้าไม่มีปัญญาชัดเจนจริงๆก็จะมองหากิเลสไม่เจอโดยเฉพาะอย่างยิ่งท้าเข้าอยู่ในฌานแล้วกิเลสมันก็ไม่ปรากฏ แต่พอปริมาณปัญญาเกิดขึ้นสอดส่องพิจารณาเทียบเคียงมีการทดสอบจิตใจของตัวเองอยู่สมอๆเสมอก็จะเจอว่าที่จริงแล้วมันก็มีกิเลสประเภทนี้จึงไม่ใช่กิเลสประเภทมารระดับวัตตะแต่เป็นมารระดับวิวัตตะคือขัดขวางตัดรอนไม่ให้บรรลุมรรคผลนิพพานในขณะเดียวกันก็ให้ได้รับความสุขที่เป็นที่เปียสุขเป็นพรหมสุขหรือเป็นฌานสุข จึงเป็นสุขที่ประณีตขึ้นไปโดยธรรมะและการมองเห็นโทษของกิเลสจึงต้องมองระดับหยาบให้ได้ก่อนเพื่อจะแก้ปัญหาระดับที่เป็นเวรเป็นภัยให้ได้แต่สำรวมระวังตนอยู่ในชั้นของสิทธิ์ในขณะเดียวกันก็มองให้เห็นในระดับที่เป็นนิวรธรรมหรือเป็นพวกมนทินหรือเรียกว่าอุปกิเลสอะไรก็ตาม เป็นอาการปรากฏภายในจิตไป้วจีก็เสียปกติไปทุกทีตัวอย่างเช่นเกิดมานะความถือตัวเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ควรจะได้สถานะอย่างนั้นอย่างนี้เราไปในที่ใดที่หนึ่งเกิดได้รับการต้อนรับไม่เหมาะสมตามที่เราคิดว่าได้รับการต้อนรับถ้ามานะนั้นมีกาลังมากก็จะเกิดอาการไม่พอใจ เพียงแต่ไม่แสดงออกผ่าข้างนอกแต่ผู้มีปัญญาจะเห็นว่าจิตมันหงุดหงิดมันรำคาญมันรู้สึกโกรธต่อบุคคลที่แวดล้อมอยู่ในขณะนั้นนนั้มองเห็นโทษว่าเมื่อก่อนจิตเราไม่ได้เป็นอย่างนี้ในขณะนี้จิตเป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรก็เพราะมานะความถือตัวว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้การตอนรับในคราวนี้ไม่เหมาะสมกับ ส, นะสถานะของเราเราก็เกิกดโกรธ ก็มองเห็นโทษในขณะนั้นแล้วก็พยายามลดละบรรเทามานะที่เกิดขึ้นในขณะนั้นให้ส ง, งบลงไปเพราะถ้าหากว่ายังมีมานะคือความกระด้างความถือตัวอยู่แล้วกิเลสคือความโกรธก็เกิดตา ม, มาเดินอไปต้องการจะสนทนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งกับคนเหล่านั้นแต่มันเกิดมานะเกิดความโกรธจะแล้ว เรื่องที่จะสนทนากันก็นกจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายถึงจุดหนึ่งอาจจะใช้อารมณ์ตามแรงผลักดันของกิเลสที่ปรากฏแก่จิตในขณะนั้ น, น, นการวิเคราะห์สวจสอบอาการของกิเลสจึงเป็นเรื่องที่บุคคลจะต้องรู้ด้วยตัวของตัวเอง ไม่มีใครได้สามารถที่จะไปตรวจสอบสภาพจิตของคนอื่นได้นอกจากท่านผู้นั้นจะเป็นพระยบุคคลระดับเจโตประยนันแต่บางครั้งบางคราวนั้นไปนสังเกตว่าอาการของกิเลสนั้นเป็นอาการที่พระพุทธเจ้าพระหาญทั้งหลายท่านแสดงไว้ บางทีคนก็ใช้แนวของกิตตวิทยาที่มีการือรู้สึกคล้ายๆจะถ่ายใจรู้ใจผู้คนอื่นแล้วก็บอกอาการอย่างนั้นอย่างนี้ก็พอดีก็ตรงกับเราพอดีก็รู้สึกตื่นเต้นคล้ายๆกับท่านเหล่านั้นสามารถรู้จิตของตัวเองที่จริงท่านที่รู้จริงๆ ร, รู้ระดับญาณคือรู้จิตของบุคคลจริงๆนั้นท่านจะไม่แสดงให้เขารู้ว่าท่านรู้ เราจะทำให้บุคคลที่ถูกคนอื่นรู้จิตเกิดความตะกบเกิดความตกใจเกิดความละอายอาจจะหลีกนี้ไปเพียงแต่จะทำโดยการวางธรรมะให้สอดคล้องกับจริตหรือความรู้สึกนึกคิดของเขาในขณะนั้นๆสามารถที่จะบรรเทากิเลสให้กิเลสจางไปคลายไปจากจิตเขาจนถึงก็สงบได้ในระดับใดระดับ คนที่จะดูจริงๆจึงอยู่ที่ตัวบุคคลนั้นเช่นแนวจิตานุปัสสนาปฏิปทานเป็นการตรวจสอบดูจิตในสองพวกสองฝ่ายพืง่ายเอาเป็นฝ่ายกุศลนะกุศลแม้ท่านจะแสดงอาการออกไปตั้งหลายหลายคู่นะจริงๆแล้วก็คือจิตขณะหนึ่งเป็นกุศลขณะหนึ่งเป็นกุศลก็มาเทียบเคียงกันดู ฉะนั้นเราวางความโลภกับความไม่โลภระวังความโกรธกับความไม่โกรธระวังลงความลงกับความไม่หลงเทียบเทียงกันดูว่าจิตของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไงเมื่อความโลภความโกรธความหลงเข้ามาปรุงจิตหรือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเข้ามาปรุงจิตก็จะเห็นว่าจิตมันเปลี่ยนปกติภาพไปในเมื่อถูกพวกอกุศลเข้ามาปรุงแต่ง จิตเคยสงบก็ไม่สงบจิตเคยเจนก็เกิดร้อนจิตเคยนิ่งก็กลายเป็นจิตที่ฟุ้งไปหรือจิตที่เคยเบิกบานก็กลายเป็นจิตที่งอยเงาเศร้า ซ, าซึมเป็นต้นนั่นก็คือเป็นอาการของขีดก็ต้องมองเห็นโทษประจักษ์แก่จิตของตนในขณะนั้นๆแล้วพยายามบรรเทาลดละ อาการที่ปรากฏแก่จิตในขณะนั้นด้วยความเพียนพยายามของตัวเองแต่ยาำใด้ว่จิตเป็นกุศลเราจะเห็นว่าเป็นความสงบเป็นความเยือกเกยน็นเป็นความประนีตเป็นความโปร่งเบาปรากฏขึ้นในขณะนั้นๆแต่จึงอาการเหล่านั้นเป็นผลไม่ใช่เป็นเหตุตัวเหตุจริงๆมาจากการจางไปคลายไปบรรเทาไปของกิเลสเพื่อทําให้เกิดอาการเหล่านั้นขึ้นมา คล้ายๆกับปริมาณของน้ำที่ใสสะอาดซึ่งเกิดขึ้นจากการใส่สิ่งที่สามารถขจัดความขุ่นข้นของน้ำไปได้เราก็เห็นเป็นน้ำใสแต่ความใสของน้ำนั้นที่จริงมาจากเหตุคือเราใส่สิ่งที่ขจัดความขุ่นข้นยันสารส้มออกไปแหวงลงไปต้นเาสารส้มมันก็เป็นเหตุ แต่ความขุ่นค้นออกไปได้ความผ่องใสนั้นก็เป็นผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากเขตแต่การแขวนนั้นก็เป็นเรื่องของคนที่จะต้องนำสารส้มลงไปแขวนแต่าการทำหน้าที่ขจัดนั้นเป็นเรื่องของสารส้มคือเราขาจัดเองไม่ได้การปฏิบัติธรรมก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือบุคคลจะต้องน้อมเอาศีลสมาธิปัญญามาเป็นหลักในกา ร, รปฏิบัติ มาคุ้มครองใจมารักษาใจและธรรมะเหล่านี้เองจะทําหน้าที่กระจั ด, ด ก, าานน ก, กิเลสให้ก็จะนองค่ะเราเรามีหน้าที่เปิดไฟแต่การกระจัดความมืดนั้นเป็นเรื่องของไฟที่เราเปิดเราก็กำจัดไฟเอ่อกำจัดความาาวามืดโดยตัวของเราเองไม่ได้จิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะว่าธรรมะกุศลกับกุศลนั้นเป็นของที่แก้กันท่นเรียกว่าเป็นปฏิปักษ์ธรรมกันคือธรรมะที่ตรงกันข้าม หมายความว่าจะปรากฏร่วมกันในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันไม่ได้จะ ใ, ในขณะที่จิตกรบโดยเมตตาในขณะนั้นจะโกรธ ด, ด้วยไม่ได้เพราะจิตจะรับอารมณ์อย่างเดียวได้ในขณะเดียวแต่ว่าคําว่าขณะนั้นเป็นเรื่องที่เร็วที่ทรงใช้คําว่าระหุโสวัตตรีโนุขณะมันเป็นไปนเร็วมากมันเร็วกว่าวินาทีไม่รู้สักเท่าไหร่ เรองการจำแนกแยกแยะเป็นขณะจึงที่จริงก็แยกได้ยากมันก็อาจจะแยกเป็นนาทีเป็นวินาทีคืออาการมองเห็นโทษของกิเลสในช่วงของวินาทีในช่วงของนาทีหรือช่วงๆที่หลายหลายนาทีก็จะเห็นอาการเหล่านั้นมีการแผดเผาเร่าร้อนก่อให้เกิดความกระสรับกระส่ายสับสนว้าวุ่นเป็นดังกล่าวตามปริมาณความรุนแรงโอเคก็มองเห็นว่าการที่จิตต้องสูญเสียความสงบไปในขณะนั้น กิเลสนี่เองเป็นมารมาขัดขวาง ม, มาตัดรอนมาทำลายตลอดทั้งค่าคือสูญเสียไปเลยสูญเสียความสงบไปเลยกลายเป็นความฟุ้งซ่านไปแง่แรกๆคนอยู่สงบสงบแต่มีใครมาท้าทายมาท้าตีท้าต่อยแล้วในที่สุดกิเลสมันก็ฟูขึ้นปูขึ้นปูขึ้นผูขึ้นจนถึงจุดหนึ่งจะหมดสภาพ แต่หมดอาการของความส ง, งบตำนองที่ท่านเล่าถึงฤาษีจีไพรที่ไปบำเพ็ญเพียรจนบรรลุฌานที่จริงตอนนั้นกิเลสก็ตั้งกระท่งสงบเพราะว่านิวรกิเลสประเภทนิวรได้ส ง, งบไปจากด้วยกําลังของฌานที่ท่านได้ปัจจุแต่วเป็นการส ง, งบในลักษณะ ส, สยบกิเลสพราะท่านไปถูกยั่วยวนยั่วยุกันด้วยประการต่างๆคือทั้งยั่วยวนยวนัยวน่ยวยวุยว ตามตำนานที่เราควบนั้นฤาษีจะแพ้กิเลสสองตัวใหญ่ๆนะคือโลภ ะ, ะ, าา ก, ะ, ะกับโทสะหรรรคะกับโทสะการจะทําลายฤาษีก็ใช้วิธีกระตุ้นราคะกับกระตุ้นโทสะแต่ฤาษีก็เรียกวัตบาทแตกวัตบาแตกหมายความว่าอาจารก็เสื่อมจะทำอะไรมาตัดรอนมาทําลายความตีที่ท่านพัฒนาจิตใจของท่านไปอยู่ได้แล้วในระดับนั้นก็ตอบว่ากิเลส กิเลสมาจากไหนมาจากเชื้อภายในใจของท่านในช่วงนั้นอาศัยการกระตุ้มกุ้นคือเพิ่มเชื้อไปจากข้างนอกโดยการยัยว่ยวยุยวนของบุคคลที่ไม่หวังดีต่อท่านแม้สุชาตก็ทั้งกระเสือกแต่บางทีเป็นการเหนี่ยวนึงการดื้อดืดของท่านเองคือท่านแสหารเรื่องของท่านเองแสดงว่าใจในขณะนั้นปริมาณของความส ง, งบมีไม่มากพอพอมี อะไรเกิดขึ้นทัาก็เหนียวนึกตึกึกทั้งๆที่ว่าสิ่งเหล่านั้นปรากฏอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาของเขาต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสึขก่อ